ต่อไปนี้จะสรุปหลักทั่วไปของศีลหรือศีลพื้นฐานไว้แล้วนำพุทธพจน์และบาลีภาษิตเกี่ยวกับศีลสำหรับคนทั่วไปหรือประชาชนมาแสดงไว้พอเป็นแนวประกอบความเข้าใจในเรื่องศีลให้เห็นความหมายขอบเขตและเนื้อหาของศีลชัดเจนยิ่งขึ้นขอ้ขอก่อศีลพื้นฐาน ศีลพื้นฐานคือศีลที่เป็นหลักกลางซึ่งเป็นความหมายของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะที่เป็นองค์ของมรกได้แก่การพูดการกระทำการประกอบอาชีวะอย่างใดก็ตามที่ประกอบด้วยเจตนาซึ่งปราศจากความทุจริตหรือความคิดเบียดเบียนกินความคลุมถึงสุจริตที่เป็นคู่กันด้วยดังที่เคยยกมาแสดงไว้ตั้งแต่ต้นในที่นี่ นำมาแสดงอีกครั้งหนึ่งเพื่อตั้งเป็นฐานและเป็นการทบทวนไปพร้อมกันดังนี้สัมมาวาจาได้แก่ 1. ละมุสาวาจเว้นการพูดเท็จซึ่งก็คลุมสัจจวาจาพูดคําจริงด้วย 2. ลัปิสุนาวาจาเว้นการพูดส่อเสียดซึ่งก็คลุมสมักกรณีวาจาพูดคําสมานสามะคีด้วยส ละพรุสวาจาเว้นการพูดคำหยาบซึ่งก็คลุมสรนหวาจาพูดคำอ่อนหวานสุภาพด้วย 4. และสัมผับปลาปะเว้นการพูดเพอร์เจอร์ซึ่งก็คลุมอัตสันหิตาวาจาพูดคำมีประโยชน์ด้วยในตุติยจริตสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาตมีพุทธพจน์แสดงวจีสุตติริศีว่าได้แก่สัจวาจาพูดจริง อภิสุนวาจาพูดไม่่อเสียดสัญนาวาจาพูดอ่อนหวานมันตาภาษาพูดด้วยความคิดสำหรับมันตาภาษาอัถกถาไขาความว่าพูดโดยใช้ปัญญากำหนดบางทีก็แปลกันว่าพูดพอประมาณแต่โดยใจความก็เหมือนกับที่แสดงไว้ข้างต้นสัมมากัมมันตะกระทำชอบได้แก่หนึ่งละปานาติบา เว้นการทำลายชีวิตซึ่งก็กลุ่มการกระทำที่ช่วยเหลือเกื้อกูลด้วย 2. ละอัินาทานเว้นการเอาของที่เขาไม่ได้ให้ซึ่งข้อนี้มีคู่อยู่ที่สัมมาอาจิวะหรือทานละกาเมสุมิจฉาจารเว้นการประพฤติผิดในกรรมซึ่งก็กลุ่มสัทธารสันโดษ ด, ด้วย 3. สัมมาอาจิวะเลี้ยงชีพชอบได้แก่ละมิจฉาชีพ เลี้ยงชีตด้วยสัมมาชีพรวมถึงความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุดจริตเช่นทำงานไม่ให้ข้างค้างอากูลไม่หมักหมมไม่ผัดเพี้ยนไม่จับจดไม่ยุ่งเหยิงสับสนเป็นต้นในวณิชสูตรอังคุตรนิกายปัญจาการนิบาตมีพุทธพ์แสดงอกรณียวนิชชาคือการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบหอย่างได้แก่หนึ่งัตธวณิชา ค้าขายอาวุธภัณฑ์หรือเครื่องประหาร 2. สัตตะวณิชาค้าขายมนุษย์ 3. มังสะวณิชาค้าขายเนื้อสัตว์อัธกถาอธิบายว่าเท่ากับเลี้ยงสัตว์ไปขาย 4. มัจฉะวณิชาค้าขายน้ำเมาซึ่งรวมสิ่งเสพติดทั้งหลายด้วย 5. วิสะวณิชาค้าขายยาพิษ วณิชชาห้านี้อัรถกถาเรียกว่ามิจชาวณิชชาคือการค้าขายที่ผิดบ้างอธรรมวณิชชาคือการค้าขายไม่ชอบธรรมบ้างดังที่กล่าวแล้วสำหรับคนทั่วไปท่านผ่อนลงมาเหมือนจับเอาสีนพื้นฐานนี้ส่วนที่จาเป็นอย่างยิ่งมาแสดงเป็นข้อกำหนดอย่างต่ำที่สุดในทางความประพฤติของมนุษย์เท่าที่พอจะให้สังคมมนุษย์อยู่กันโดยปกติสุข ให้แต่ละคนมีชีวิตที่ไม่เป็นโทษภัยหมู่ชนไม่เบียดเบียนกันจนเดือดร้อนมากนักเรียกข้อกำหนดนี้ว่าศิกขาบทหหรือที่นิยมเรียกกันเป็นสามัญว่าศีห5ได้แก่ 1. เว้นจากปาณาติบาตคือไม่ทำลายชีวิตจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือการดาเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่น ทางด้านชีวิตร่างกาย 2. เว้นจากอาทินาทานคือไม่เอาของที่เขามีได้ให้หรือไม่ลักขโมยจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือดําเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านทรัพย์สินและกรรมสิทธิ์สเว้นจากกาเมสุมิชฉาจารคือไม่ประพฤติผิดในการมทั้งหลายจับเอาสาระว่าความประพฤติ หรือการดาเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านคู่ครองบุคคลที่รักห่วงแหนไม่ผิดประเพณีทางเพศไม่นอกใจคู่ครองของตนไม่ทำลายสายตระกูลวง์ของผู้อื่น 4. เว้นจากมุสาวาตคือไม่พูดเท็จจับเอาสารว่าความประพฤติหรือการดาเนินชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาเท็จ โกหกหลอกลวงตัดรอนประโยชน์หรือแกล้งทําลาย 5. เว้นจากสุราเมรัยได้ของมืนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือไม่เสพของมืนเมาจับเอาสาระว่าความประพฤติหรือการดําเนินชีวิตที่ปราศจากความประมาทพลาดพลัง้งมัวเมาเนื่องจากการใช้สิ่งเสพติดที่ทําให้เสียสติสัมปชัญญะศี่ห้านี้บางครั้ง อัทธกถาเรียกว่านิจจศีลแปลว่าศีลประจำหรือศีลที่ควรรักษาเป็นนิจ